พวกเราคงอยากจะทราบเหมือนกันกว่าเป็นไงหลวงพ่อไปประชุมเครื่องมือให้โรงพยาบาลศูนย์อุดรเมื่อวานเป็นวันที่20สิสิงหาคม53สนัดประชุมคณะแพทย์โรงพยาบาลอุดอรโรงพยาบาลศูนย์แล้วก็นัดพวกขะาบดี เมืองอุดรมาร่วมกันเพื่อหาเครื่องมือแพทย์ให้แก่หมอหมอที่ย้ายมาจากจุลาเป็นหมอหวัวใจผ่าตัดหวัวใจบายพาสหวัวใจได้แต่มาอยู่ที่อุดรเพิ่งย้ายมาได้เดือนก ว, กว่าไม่มีเครื่องมือเมื่อไม่มีเครื่องมือแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ต้อง ย้ายไปโรงพยาบาลที่มีเครื่องมือทางหมอโรงพยาบาลอุราก็เห็นว่าน่าเสียดายหมอที่มีฝีมือขนาดนี้มาที่โรงพยาบาลศูนย์ของเราแล้วโรงพยาบาลศูนย์ของเราก็ต่อไปก็จะใหญ่ไปข้างหน้าเดี๋ยวนี้ก็มีนักเรียนแพทย์สองปีแล้วคำว่าปีหน้านี่ก็ อีกสักปีหนึ่งปีต่อไปก็จบเป็นนายแพทย์ได้แล้วเพราะฉะนั้นพวกเราควรจะมีแพทย์ผ่าตัดหัวใจได้เดี๋ยวนี้ไม่มีผ่าตัดหัวใจมีแต่ใครเข้ามาหลือเป็นไงแน่นหน้าอกใช่เกี่ยวกับหัวใจเกี่ยวกับเช้นเลือดตีบอหรือว่าเช้นเลือดอุดตันเอาเอายาละลายลิ่มเลือดเอา ให้ยาไต้ลิ้นเข้าไปเพื่อคลายกล้ามเนื้อกับเพียงประทังเท่านั้นเองก็ไม่ได้รักษาต้นโตต้นเหตุของมันแต่หมอคนนี้หมอที่จะมาประจำเน่เขารู้เรื่องของโรคหัวใจแล้วก็ไม่มีเครื่องมือเขาคงจะอยู่ไม่ได้เพราะว่าทรัพยากร หมอเนี่ยไปไว้ที่ไหนจะไปอยู่เฉยๆไม่ได้แล้วราะงั้นแต่เขต้องใช้งานให้เต็มที่เพราะหมอก็มีน้อยอีกต่างหากดังนั้นเเลยโรงพยาบาลอุรานเขาก็ปิ่งเต้นขนควายเพราะงั้นแต่จะหาอย่างไงจึงจะหาเครื่องมือมาให้หมอคนนี้ที่อยู่กับอยู่กับพวกเราได้ก็เลยมาหาหลวงพ่อหนะลวงพ่ออืมถ้าลักษณะอย่างนี้มันก็ต้องเราเคย หามาครั้งหนึ่งก็คือที่หากล้องโอลิมปัสส่งหามะเร็งในระยะแรกเมื่อสองปีที่ผ่านมาแล้วก็ประชุมกหาบดีประชุมแพทย์ผู้ที่มีกำลังกำลังซับล้วก็ยังหาได้ราคาก็ตั้งเกือบสามล้านแต่นี่ตัวนี้เพียงล้านห้าจะไม่ได้แล้ว เอา้าประชุมกันก็เลยนัดประชุมกันเมื่อวานไปก็ข้าหาบุรีชาวเมืองอุดรก็ให้ความสนใจพอสมควรก็มาร่วมร่วมกันก็หาเครื่องมือแพทย์เมื่อวานพอจบลงไปแล้วก็ได้เครื่องมือแพทย์ตัวนี่แหละตัวที่ผ่าตัดใบาพาดหัวใจล้านห้าก็ได้ต่อมาอีก มันไม่ใช่จะบายพาสอย่างเดียวพอผ่าหวัวใจลงมาแล้วมันก็ต้องมีเครื่องทางเครื่องทาง้แค่แค อ, อพอไปแล้วกังดโครงกระดูกทั้งสองข้างให้มันทางออกม า, างนั้น เ, เพื่อจะได้ผ่าตัดหวัวใจได้ตัวนี้ก็สี่แสนห้าตัวทางตัวเดียวสี่แสนห้าอ้าวก็เลยหาเงินซื้ออีก รวบรวมกันอีกอีกตัวหนึ่งก็เครื่องช่วยหายใจในเมื่อผ่าตัดคนสลบสลายอยู่นะเวลาพวกเราคงจะเคยเห็นเวลาไปโรงพยาบาลพอลวเวลาสลบสลายอยู่คนเนี่ยก็จะบีบเหมือนกับบีบพองลมเครื่องช่วยหายใจบีบเข้าไปในจมูกของคน ให้ช่วยหายใจบีบบีบบีไปกว่าจนถึงที่พอถึงที่เสร็จแล้วก็ได้เอาเครื่องหายใจช่วยแต่ปับนนี้เขาามันก็มีเครื่องตัวหนึ่งขึ้นมาสำหรับเวลาออกจากห้องผ่าตัดหรือว่าจะย้ายเตียงก็จะมีเครื่องตัวนี้ช่วยหายใจเข้าไปแล้วก็เปิดเครื่องก็จะได้ช่วยหายใจคนระยะย้ายห้องหรือย้ายเตียง ตัวห้อกออกมาจากห้องไอซเหรือออกมาจากห้องผ่าตัดก็เลยเอาเอกกัเลยช่วยๆกันอีกหลงพ่อเครื่องเดียวพอไหมไม่พอถ้าคนมากขนาดนี้ต้สองสามพันคนที่เข้ามาบริการบางทีก็ผ่าตัดวันหนึ่งหลายครั้งนะก็เลยเอาสองเครื่องเครื่องละสามแสนแต่ตามไม่จริงเขาเรียกร้องเครื่องละหกแสนนะ เห็นไหมเครื่องมือแพทย์แต่ขนาดเราต่อสามแสนก็ยังลดลงให้เอาสองเครื่องเครื่องละสามแสนแต่ตามจริงเครื่องละหกแสนว่าเครื่องมือแพทย์นราเราจะไปต่อแบบเล่นๆไม่ได้เหมือนกันนะเหมือนกับพูดเล่น่ะแต่ต่อให้มากที่สุดแต่เครื่องมือตัวนั้น่ะเขาว่าเขาต่ออย่างเต็มที่แล้วเท่าไรเกือบสองล้านเขาต่อลงมาได้ล้านลนะ้านห้าพอจะเอาจริงๆหลวงพ่อให้เขาต่อลงไปอีก่ะ ได้ล้านสี่ะแปลว่าลถหนึ่งแสนน่ะโอ้เงินหนึ่งแสนไม่ใช่ธรรมดานะไปกินก๋วยเตี๋ยวนี่ท้องแตกหลายคนเหมือนกันนะเงินหนึ่งแสนเยเพราะนั้นเราต้องต่อรองเมื่อวานเนี่ยก็เลยได้ล้านสี่ถ้าว่าจะต่อรองอีกอาจจะมีส่วนแต่เราก็ยังว่านะนี่แหละเมื่อวานเนี่ยบแล้วก็คือใช้เงินไปสองล้านสี่แสน ห้าหมื่นแล้วแหละถ้าหลวงพ่อจำไม่ผิดนะหาเมื่อวานนะแต่มีเครื่องมืออีกตัวหนึ่งตัวนั้นปอดปอดปอดหัวใจเทียมค่ะใพอทําผ่าตัดหัวใจแล้วมันจะมีปอดไม่ทํางานเออจะต้องใช้หัวใจเทียมเข้าไปช่วยหัวใจอีกที่นึงเนี่ยนะตัวในราคาสามล้านเนี่ยแต่เขาบอกว่าประมาณสองล้านหาน่าจะได้ แต่เขาตีราคาอพอเรายังไม่ได้ต่อรองสามล้านเมื่อวา น, น, นขนาดสองล้านสองล้านสี่แสนห้าขนาดนั้นก็ยังจุกแล้วงานเถอะในที่ประชุมที่หาเงินจุกแล้วหลวงพ่อก็เลยเอาไว้ก่อนแต่ในใจหลวงพ่อเองหลวงพ่อก็คิดอยากจะให้มันครบทีมเหมือนกันอยากจะให้มันครบเมื่อไปพ่าตัดแล้วก็จะ อย่าได้คิดว่าเครื่องมือไม่เพียงพอในขณะที่ทำในงานนี้ยังยังคิดอยู่เหมือนกันเดี๋ยวเดี๋ยวคงจะพยายามรวบรวมกับคณะทา ญ, ญาติโจมผู้มีจิตศรัทธาอีกครั้งหนึ่งตัวนี้ประมาณอย่างน้อยก็สอง้านห้าหรือสามล้านเนี่ยแต่เขาตีราคาสามล้านตัวนี้ปอดหัวใจเทียมแต่เขาบอก ว, ว่าไม่จำเป็นมากแต่ก็จาเป็นที่ถามเมื่อวาน ไม่จำเป็นมากใกล้ๆก็ถ้าคาัว่าพอผ่าตัดจุดนั้นแล้วถ้ามันมีการแซกซ้อนขึ้นมาเราก็จะต้องได้ใช้ตัวนี้แต่ถ้าไม่แซกซ้อนแล้วก็จบไปเพาเป็นนั้นว่าจาเป็นไหมก็จาเป็นแต่เครื่องมือแพทย์ก็ยังว่านะใครๆก็รักชีวิตของเราของใครของเราถ้าเห็นคนอื่นก็ไม่เป็นไรแต่พอมาเจอกับเข้าตัวเองกับพี่น้อง วงสาคานาญาถึ่มิตรสหายที่รักเคารพของเราแล้วก็ไม่อยากจะให้จากไปได้ง่ายๆเหมือนกันถ้าเห็นคนอื่นกับโโพอธนองอย่างพวกเราเห็นเขาสายสาธิตในการใช้เครื่องมือให้ดูเมื่อวานเะนี่ยสายเป็นจอขึ้นมาให้พวกเราดูวิธีผ่าตัดทำยังไงผ่าตัดหัวใจแต่ดูดูเหมือนกับเขาผ่าตัดหมูอย่างั้นผ่าตัดหมูผ่าตัดหมาอย่างนั้นะ เออเห็นเขาผ่าแล้วเห็นแล้วโอ้ออหัวใจก็ะเต้นถูกตับถตับถูกตับถตับแล้วก็เขาก็พกหมอพกแพทย์จะยุ้มย้ำย well hey ุมย้ำยุ้มย really ้ำคนหนึ่งขี้บคนหนึ่งคนหนึ่งขีบเส้นหนึ่งขีบเส้นเลือดน่ะเอมาต่อหัวใจเห็นแล้วโอ้ออแต่มันก็เก่งนะพอผ่าตัดในวันนี้วันวันพรุ่งนี้ดื่มน้ำได้กินน้ำได้เหมาอนกันเต้ ได้สามวันลุกลงออกมาจากเตียงเลยเดินพยายามเดินได้เพราะกำลังเขาเขาดีเป็นคนหนุ่มเนี่ยแต่ถ้าว่าไม่ผ่าตัดมีโอกาสตายได้ไหมตายได้เพราะว่ามันเช้นเลือดติบในสมองอติดในตีบหัวใจเลือดไม่เลี้ยงหัวใจไม่พอมีโอกาสตายได้เห็นแล้วก็เนี่ยเครื่องมือที่ซื้อให้เขาเนี่ก็ เพื่อพี่น้องประชาชนที่เข้าไปรับการรักษาเมื่อมีขา่าวเมื่อจําเป็นเมื่อเกิดโครคภัยไข้เจ็บแต่หลวงพ่อเขาพูดเมื่อวานีหลวงพ่อได้สืบสอบกับอาจารย์หมอทั้งหลายทั้งสิริราชด้วยทั้งหลายแห่งอโรงพยาบาลที่หลวงพ่อได้ไปพบน เ, เครื่องมือตัวนี้จําเป็นไหมเขาว่าจําเป็นหลวงพ่อเพราะมันฉุกเฉิน อันนี้มันคือหัวใจแต่โรคหัวใจนี่โดยมากมันจะเกิดกับผู้มีอันจกินพวกอาเซียต่างๆพวกข้าราชการนั่งโต๊ะไม่มีเวลาออกกําลังกายแล้วก็ออกไปกินอาหารดีๆแล้วก็ไม่ไม่ไม่ได้ออกกําลังกายแล้วก็มานอนเลยเนี่ยพวกนี้แหละโรคหัวใจมาเยือนได้ง่ายเพราะเหตุใด เพราะไขมันในเม็ดเลือดไขมันไขมันในเส้นเลือดอมากจากนั้นก็ไม่ได้ออกกําลังกายเาผาผลาญไขมัน <c oughs> ชาวไร่ชาวนาดโดยมากไม่ค่อยเป็นเป็นก็เป็นบางคนเพราะเหตุไรเพราะกินข้าวเสร็จแล้วเขาทานางเหงือ่อแตกเหงื่อไหลเาผาผลาญร่างกายเาผาผลาญไขมันมันจะไม่มีค่อยมีไขมัน เพราะสุขภาพของเขาก็แข็งแรงเพราะเขาออกกำลังกายทำการทำงานของเขาแต่ด้วยมากข้าราชการนั่งโต๊ะไม่ไปไหนหรือพวกอาเสียทั้งหลายมีแต่ทามาค้าขายอยู่ที่บ้านไม่ได้ออกกำลังกายจะไปออกกาลังกายก่อ น, นเสียเวล่ำเวลาในการประสานงานเกี่ยวกับการหาเงินผลลนพธ์กันพวกนี้แหละ โรคหัวใจมาเยือนได้มากที่สุดหลวงพ่อหลวงพ่อออืเราซื้อเครื่องมือคราวนี้เถ้าจะว่าไปแล้วก็ซื้อให้พวกระดับนี่แหละะระดับมีอันจะกลิ่นไม่งั้นแต่เพราะฉะนั้นท่าทางพวกท่านทั้งหลายไม่ช่วยตัวเองก็ไม่รู้จะทํำยังไงละนะต้องช่วยกันอันนี้ก็เลยรวบรวมเมื่อวา น, เ, นเสร็จสิทธิ์ลงแล้วต่อไปก็คงจะเซ็นสัญญองสัญญากันเพื่อซื้อ เครื่องมือตัวนี้แหละมาไปจําไว้ที่โรงพยาบาลสูงอุดรเดี๋ยวนี้ยังไม่มีเดี๋ยวนี้มีแต่นุ่นอุบลแล้วก็ศูนย์นแก่นแล้วก็ศรีนครินอุดรของเราไม่มีแต่อุดรของเรามีทั้งประเทศลาวเลยนะมาบริการประเทศลาวน้องคายาสกล น, นคร น, นครพนมเพอเพยยังเข้า อ๋จังหวัดบึงกาลอีกเออแล้วก็เนี่ยนงบวัวลําพูจังหวัดเลยเนี่ยนะสกลนครจะมาบริการจังหวัดโรงพยาบาลศูงอุดรของเราเมื่อเขาพูดให้ฟังหลวงพ่อกับอืก็น่าจะช่วยเหลือช่วยช่วยกันสรุกแล้วคือช่วยช่วยกันแต่เมื่อวานหลวงพ่อคิดว่าจะลง ลงร่วมกับเขาเหมือนกันน่ะบบเพียงว่าจะปิดท้ายรายการแต่นี่ก็มีอาเสียสองคนเอ้าท่านอาจารย์ถํามันขาดเหลือเท่าไหร่ก็บอกผมผมจะปิดท้ายรายการให้เออเอาดีเท่าไหร่สามแสนกว่านะพอเดินมาคิดเรียกผิดอีกท่นีมันเป็นสี่แสนกว่าหนักเกินไปอีกไมตานคนหนึ่งเข้ามาอีกท่านอาจารย์ถ้าหากว่ามันไม่พอเท่าไหร่ ผมขอปิดรายการนะเออมีสองเลยไปเนี่ยว่ะเนีเราก็เก็บเงียบไว้เพนะไม่พูดออกไปผลที่สูก็เลยยังเหลืออยู่สี่แสนกว่าสี่แสนกว่าเออเอาสองอาเซียนยหานสองถึงนี้ว่ะก็เลยปิดท้ายรายการคนละสองแสนก็เลยจบเหมือั้นเนี่ยสองล้านสะี 2, 000, 000, 000, 000. นะ่แสนห้าหมื่นเน่ยหลวงพ่อก็เลยไม่ได้ออกแต่กลงพ่อก็คิดว่า เครื่องมือตัวที่สามเนี่ยถ้าเราจะเอาจะ เ, เรียกในเดียวนั้นอีกขนาดนั้นเราก็ยังเรียกหลายครั้งจะเอาปัจจัยหาเงินขึ้นมาเพื่อหาเครื่องมือตัวที่สามเยตัวที่ว่าสามล้านเยคงไม่ไม่พอคงคงหมดกำลังดูมองดูแล้วหมดกำลังพวกที่มาร่วมกันหมดกำลังถ้าเราจะออกอีกเอา หลวงพ่อจะช่วยเท่านี้นะก็ยังไม่มีกําลังที่จะออกอีกเพราะมันหมดกําลังแล้วเอายุดไปก่อนหลวงพ่อก็เลยระงับไว้ก่อนแต่พยายามจะหาเครื่องมือตัวนี้แหละให้เขาอีกสักเครื่องหนึ่งประมาณสามล้านตัวเนี้ยแต่จะต่อรองได้เท่าไหร่ยังไม่แน่เพราะยังไม่ได้ต่อรองอันนี้นคล้ายๆกับเขาบอกมาประมาณสามล้านนี่แหละถ้าจะว่าไปแล้ว เพื่อใครเครื่องไม้เครื่องมือที่หลวงพ่อพูดมาทั้งหมดเนี่ยเพื่อใครก็เพื่อพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าหลวงพ่อก็พูดสรุปท้ายเมื่อวานเนี่ยที่หลวงพ่อหาเครื่องมือหรือช่วยโรงพยาบาลหลายๆแห่งอย่างตึกสงอาพาสเนี่ยเมื่อขาวที่แล้วก็ทอดผ้าป่าเมื่อเดือนมิถุนาเนี่ยได้สองล้านห้าเพื่อตึกสงอาพาส แล้วก็ช่วยโรงพยาบาลช่วยเครื่องมือแพทย์ต่างกล้ามต่างวาระก็หลายหลายครั้งแต่หลวงพ่อทำนี้เพื่ออยากจะเข้าโรงพยาบาลไหมอันนี้ขอประกาศบอกกล่าวให้พี่น้องประชาชนรับทราบว่านในใจของหลวงพ่อหลวงพ่อตั้งจิตธฐานไว้ในใจแต่ส่วนตัวซะก่อนสาโทเน่ สาทุบไปว่ายกมือท่วมหัวเงินเข้าไปเจ้าได้ช่วยเครื่องมือแพทย์ต่างกลัมต่างวาระอมากมายหลายครั้งหลายหนที่ได้ทํามาบุญกุศลที่ได้ให้เครื่องมือแพทย์ไปทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยอย่าให้เข้าไปเจ้าได้เข้าโรงพยาบาลแต่ถ้าเมื่ออายุไขามาถึงอายุเข้าไปเจ้าหมดเมื่อไหร่ ก็ให้ปอกไปเมื่อ น, นั้นเลยอย่าให้มานอนในโรงพยาบาลสายยางอิลุงตุงนางไม่รู้สอดจมูกไม่รู้สอดปากไม่รู้สอดแขนไม่รู้อะไรต่อเมื่อะไรสนตะภายเต็มไปหมดนะอย่าให้อย่าให้ได้มาพลุงพลังนะด้วยเทิร์ดคือในใจแล้วก็พร้อมกอันเออเอาญาติโยมญาติพี่น้องพี่น้องปู่ย่าตายายญาติมิตรสหาย โดยอเนิสงฆ์นี้ก็ขอให้คุ้มครองพวกท่านเหล่านั้นด้วยอย่าให้เข้านอนโรงพยาบาลนะถ้าพอถึงอายุไขแล้วก็ถึงขราวตายแล้วก็ไปซะพอถึงยังไงมันก็ต้องตายแน่ๆแล้วคนเกิดมาไม่มีใครที่จะหลีกลี่หนีพ้นไปได้นี่หลวงพ่อตั้งจิตอย่างนั้นนะอธิษฐานอย่างนั้นนะไม่ใช่ว่าอยากจะเข้านอนโรงพยาบาลนะลูกหลานเนะ่ะ ไม่ใช่ว่าหรวงพ่อมาช่วยโรงพยาบาลอยากจะเข้าโรงพยาบาลไม่ใช่นะพยายามหนีให้ไกลที่สุดแต่จะถึงยังไงได้เห็นพี่น้องประชาชนมาเข้ามาโรงพยาบาลทำถามผอเอมื่อวานเดี๋ยวนี้รับคนได้สมมติว่าร้อยเปอร์เซ็นมันเผอมันถลายไปประมาณจาก 130, 40, 130, 140ักร้อยสามสี่สิบร้อยสามสิบร้อยสี่เปอร์ซนเดี๋ยวนี้ จำนวนที่เหลือทำยังไงก็นอนข้างๆ้งนง่นแหละเออระเบียงมันนัมีเตียงพับขึ้นมากับวางเตียงเตียงเตียงเตียงไปนอนจะทำยังไงได้ต่างคนก็ต่างป่วยเ้วจะไม่ให้นอนได้ยังไงเนี่นี่แหละมันเต็มถึงขนาดนั้นอะโรงพยาบาลแต่ใ น, นเราหาเครื่องมือแพทย์ให้กันเนี่ยเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทุกหมู่ทุกเหล่าแต่ทายังไงได้เกิดมาแล้วใครก็ไม่อยาก จะเก็บไม่อยากจะตายแต่ทุกคนก็หลีกลีหนีไม่พ้นเหมือนกันแต่ทีอย่างไงยกมาทูทษเขาก็เตือนมาแล้วเตือนมาอีกอย่างที่หลวงพ่อได้พูดเมื่อคราวที่แล้วก็นึกนึกขำขำเหมือนกันนะเขาเขียนออกมาหลวงพ่อฟังฟังแล้วเออมีคนแก่คนหนึ่งประมาณหกสิบเจ็ดสิบปีแตตายไปพอตายไปมีคนหนุ่มคนหนุ่มหนุ่มไปด้วย คนหนุ่มก็ตายเหมือนกันเหมือนกันนะแต่ไปเจอกันข้างหน้าแต่นี่ก็พอเสร็จแล้วทหารพยายมมาทูดเขาก็จับขึ้นไปหาศาลตัดสิ น, นพอตัดสินใอ้คนแก่นี่ก็พูดขึ้นมาโวยโวายบวกเวกทำไมก่อนที่จะตายก็ไม่น่าไปจับออกมาเลยก็น่าจะบอกกล่าวกันสักก่อนว่าเคุณจะตายแล้วนะ น่าจะเตรียมใอ้คนที่จะตายก็จะได้เตรียมตนเตรียมตัวเพื่อจะได้บอกกล่าวมอบหมายอันไหนอยู่ที่ไหนทรัพย์สมบัติอยู่ที่ไหนพินัยกรรมอยู่ที่ไหนอะไรอยู่ที่ไหนอันนี้จับมาจับมาเลยโดยที่ไม่บอกกล่าวอันนี้ไม่เป็นธรรมอย่างยิ่งสําหรับยมมาโทษสําหรับทําให้แก่คนทิศทั้งหลายตา ย, ายท่านี้ยมมาโทษก็ มีอำนาจอยู่แล้วใช่ไหมเออหนวดขยุมขยิมเสไหตากระแดงที่ต่างหากสันท่านกระต๊บโต๊ะใส่เลยปั้งยศยาโพดเราเตือนไปแล้วทั้งสามครั้งไม่โล้เหรออันนั้นก็เงียบเอา้าเขาก็พูดแบบก้มหน้าแล้วกลัวเลยเออที่ท่านเตือนไปนั้นข้าพเจ้าทำไมไม่ได้รับทำไมท่านจึง อว่าเตือนไปเตือนไปเมื่อไรคนถ้าพระเจ้าไม่ได้รับคำเตือนของท่านเลยพยายมตบต้อยปังอีกออสมัยเมื่อไหรคุณใช้แว่นตานะ่ะคุณตัดแว่นตาเมื่อไรเนี่บอกว่าทําไมจึงตัดแว่นตาบอกว่าข้าพเจ้ามองไม่เห็นเออพอไปกินเลี้ยงเสร็จแล้วก็ไปดูหนังพอดูหนังก็มองไม่เห็น ก็เลยคิดว่าไปเลยจากนั้นใหม่ก็เลยไปตัดแว่นตานั่นแหละเราเตือนแล้วนะ่ะแกเข้าใจไหมถ้าไม่แก่จะใส่แว่นตาได้อย่างไรยมมัทูุสเขาบอกอย่างนั้นนะไอ้เนยเขาเตือนแล้วนะที่หลวงพ่อใส่แว่นตาเนะียยมมัทธุเตือนนั้นนี่นะใส่แว่นตาเดี๋ยวนี้ไอ้พวกนั้นหลวงพ่อจึงตั้งจนในความไม่ประมาทเตือนท่านเตือนครั้งที่สอนนะครับท่านเนยะยมมัทูุว่าเตือนครั้งที่สองกับฟันรุดเยนะ ปวดฟันเน่เข้าใจไหมเออเออแสดงว่าถึงความแก่แล้วก็เจ็บนะใช่ไหะปวดฟันนะใช่ไหมเนี่ ย, ยก็เลยหยุดพูดเลยว่างั้นเถ อ, อะออนี่แหละสรุปแล้วก็คือแก่เจ็บผลี่สุดก็ตายตายก็เห็นไหมเนี่ยคนอยู่ข้างๆ ข, งของคุณเน่ตายก่อนนะให้คุณเห็นเน่ทำไมไม่ไม่การเตือนไม่ใช่ว่าจะบอกเตือนแบบเดียวกันนะคนละอย่างกันนะ เห็นเขาตายทําไมคุณไม่คิดว่าตัวเองจะตายกับเขาบ้างเออตัวเองทําไมจึงว่าเราไม่เตือนเตือนแล้วเออเห็นแล้วเห็นความตายของคนอื่นอยู่แล้วทําไมไม่คิดเนยอมมาถูดกขาวาอย่างนั้นนะเออหลวงพ่อดูๆแล้วเออเพราะนั้นทุกคน่ะแก่เจ็บแล้วก็ตายไม่มีใครที่จะหลีกลี่หนีพ้นไปได้ก่อนที่จะถึงวันนั้นมีพิธีมีพิธัยกรพิธัยกรรมอะไรกับเ้า พูดพูดซะเขียนเขียนไว้ซะเอจากนั้นก่อนนะตั้งหน้าตั้งตาสั่งสมคุณงามความดีอย่าตั้งอยู่ในความประมาทแต่คนหนุ่มคนหนึ่งบอกว่าเที่ไปด้วยกันท่านยศมาโทษครับท่านทํากับผมไม่เป็นธรรมเลยเอ้าวทาไมผมยังน้อยหนุ่มอยู่ไม่น่าจะเอาผมมาเล ย, เยคนแก่ก็ยังผมก็ไม่ว่าแต่ผมแหละเป็นคนหนุ่มเฮ พยาโยมบนทูตก็ตบโต๊ะสิอีกเหัือนนั mm ่น hmm. ไอ้ไอไนมเพื่อนของแกเนะี่ยไปไหนเนี่ยทำไมเขาตายไปก่อนแกนะ่ยใช่ไหมเกิดมาเล่นมาเที่ยวด้วยกันไปด้วยกันเขาไปไหนเขาไปก่อนผมแล้วครับนานแหละเราเตือนแล้วการเตือนไม่ใช่ว่าเตือนแบบเดียวกันนะเตือนเป็นหลายๆอย่างสรุปแล้วก็คือเป็นทูตอเป็นเครื่อง ชีนําเองเครื่องบอกกล่าวในเมื่อเขาตายขนาดนั้นทําไมตัวเองไม่คิดเอว่าตัวเองจะตายเหมือนกับเขาโอ้ไอ้นี่ก็เงียบอีกเหมือนกันเหมือนกันแตสรุปแล้วคือเถียงกับย ม, มทูตเถียงไม่ขึ้นเหมือนนแะ่หลวงพ่อฟังฟังดูแล้วเอ อ, เ อ, อมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะเ อ, อเพราะร่างกายของคนเราเนี่ยอย่างที่ว่าที่หาเครื่องไม้เครื่องมือ แค่ให้แก่โรงพยาบาลให้คล้ายเพียงแต่พยุงเท่านั้นเองพยุงรักษาไว้ยื้อเอาไว้เพื่อรักษาไว้ในในระดับหนึ่งเหมือนั้นแต่พออจริงๆมันก็ถึงจุดจบด้วยกันทุกคนไม่มีใครที่จะหลีกลีหนีพ้นไปได้แต่สรุปลงมาได้ง่ายๆเพราะพระเจ้าไปค้นคว้าศึกษาท่านบอกว่าตายแล้วไม่ศูนย์นะจุดนี้แหละเหมือกันท่ ตายแล้วไม่สูญนะตายแล้วเกิดอีกแต่ถ้าเราไม่ได้ทําไม่ได้สร้างบุญสร้างกุศลไม่ได้ทํากลั่มดีเอาไว้มเมื่อออกจากชาตินี้ไปแล้วอาจจะตกต่ำนะเพราะเราไม่มีเงินไม่มีทุนที่จะไปสู่ความสูงและความเจริญขึ้นไปได้อาจจะตกต่ําตกต่ํานั้นคืออะไรอาจจะเกิดเป็นหมูหมากาไก่ช้างม้าวัวควายได้แต่ถ้าเรามีบุญเราจะไปเกิดเป็นมนุษย์ ระดับไหนแล้วไปเกิดได้ถ้ามีบุญมากไปเกิดสวรรค์ชั้นฟ้าชั้นไหนก็ได้ไปเกิดได้เพราะเรามีบุญไงเพรา ะ, ะนั้นพระพุทธเจ้าด้วตายแล้วไม่สูนะตายแล้วเกิดอีกอยากจะรู้ว่าตายแล้วเกิดได้ตายแล้วสูน่ะให้นั่งภาวนาเนีพระพุทธเจ้าให้พิสูจน์ได้เลให้นั่งภาวนาะถ้านั่งภาวนาทําจิตใจให้สงบนิ่งลงไปแล้วจะรู้ได้ร่างกายกับใจเป็นคนละอันกันเป็นคนละอย่างกันคนละแนวกัน แต่อาศัยกันอยู่ใจกายกับใจนะี่ยอาศัยกันอยู่ในร่างกายนี่แหละใจนั่นคือตัวรู้อยู่นั่นแหละแต่ร่างกายเนี่ยเหมือนกับ เ, เรามองเห็นกันนี่คือนี้คือร่างกายท่านก็เลยจัดว่าร่างกายเนี่นคือรูปประธรรมมองเป็นมองเห็นแต่ใจนั่นคือนามธรรมคือมองไม่เห็นแต่มีความรู้สึกอยู่ตัวรู้สึกนั่นแหละจะพาไปเกิดในภพภูมิต่างๆ พอไปเกิดแล้วกันนะตกนรกหมกไหมไปสู่สวรรค์ชั้นพรมไปได้ทั้งนั้นตัวนั้นแหละเป็นพระพุทธเจ้าตัวนั้นแหละเป็นพระรหันตัวนั้นเป็นอริยะบุคคลไม่ใช่กายนะใจนั่นแหละเป็นอริยะเพราะนั้นให้ศึกษาเรื่องของใจนะนี่พระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างนั้นเพราะนั้นขอให้พวกลกูกหลานกันสัตยาญาณโยมฟังฟังเอาไว้นะที่หลวงพ่อไปเอาเครื่องมือไปช่วยแพทย์นี่ก็เนี่ยนะในระดับหนึ่งท่านเอง แต่ทิ้งยังไงยังไงก็ช่วยไม่ได้แร้วถึงจุดจบมันแล้วอันนั้นเพียงประทังประทังเท่านั้นเองนะเนี่ยบนั้นให้สั่งสมคุณงามความดีเข้าสู่จิตใจเอาไว้เนี่ยอย่าประมาทจนเกินไปชีวิตของเราไม่รู้ว่าจะจากไปวันไหนถ้าจะว่ายมบทูดไม่เตือนก็เตือนแล้วใส่แว่นเข้าไปฟันหลุดเข้าไปเจ็บไข้ได้ป่วยเข้าไปเนี่ยโยมบรรทูดเตือนทั้งนั้นเนีถ้าถ้าอย่างที่ยมบรรทูตเขาบอกนะ อัลลอฮพรอนโมตนาให้พร